จะอยู่ในฐานที่ใดก็ตามคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนสัตว์สัตว์ก็เป็นติดครร้งรองเพียงครางหรือแสดงอาการเป็นความทุกข์ให้เราเห็นแต่มนุษย์นี้แสดงมาทางวาจาทางจิตวิญมาณยาิแล้วยังออกมาทางวาจาเป็นความบุญถึงเรื่องความทุกข์ความร้อนต่างๆนะคือการงานการได้การเสียกันเจ็บไข้ได้ป่วย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 ที่จะให้เกิดความอุสาพยายามไปโดยลับหนักหลวงเคยเล่าให้ฟังในการพื่อหัดเบ่งตนซึ่งเป็นไปด้วยความเพื่อความมุ่งสายอยากทำเวลาถามหัวหน้าวัดท่านพอ่อบอกให้ภาวนาพุทโธแล้วนยผมก็ภาวนาพุทโธเองพิพากเอาพุทโธภาวนาภาวนาภาวนาก็ไม่ทราบว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ทำไปงูปลาไปนั้น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 จะพยายามเอาให้ได้นั่นแหละทีนีทำไม่หยุดกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทุกียาบทไม่ลดละก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเช่นนั้นเมื่อปรากฏเป็นความสงบเช่นนั้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้นานไปโดยลำดับสงบได้นานและไม่ตื่นเต้นที่นี่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 เลอกตื้นจากละเอียดขนาดไหนหมดไปโดยสิ้นเธอเที่าหมดเรื่องหมดปัญหาจิตเมื่อพ่ฆาปัญหาออกจากตนจนหมดสิ้นแล้วนั่นก็ไม่มีเรื่องเรื่องอะไรจริงนั่มงเมื่อถึงขั้นอะไรไม่มีหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าอะไรไม่มีนั่นอ่ะคือเป็นคือความพอตัวเต็มที่ไม่ต้องการที่จะเอาอะไรเข้ามาเสิมอีก เป็นความสนะเสิญก็แล้วความยินทาก็แล้วเพราะอันนี้เป็นอาการแห่งส ม, มุดทั้งหมดจิตนั้นเป็นผู้พอตัวแล้วในคําว่าดีและชั่วทั้งหลายท่านให้นามผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์แล้วนั้นว่าปุญญักปุญยะปาปะปพปปหิระบุคคลคือเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วครับบุญก็คือความสุขที่เป็นฝ่ายส ม, มุดที่แรกก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างไปในทางส ม, มุดนี้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 การแสดงก็เห็นว่าขึ้นตัวนำมาพิจารณาละลี่ยนแ